เมื่อใส่ใจถึงเครื่องหมายใดเครื่องหมายหรือนิมิตก็คืออารมณ์ที่จะให้จิตกำหนดนั่นเองถ้าใส่ใจถึงเครื่องหมายหรือนิมิตใดเกิดความคิดฝ่ายชั่วขึ้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายนั้นไปสู่เครื่องหมายอื่นอันประกอบด้วยกุศลซึ่งจะเป็นเหตุให้ละความคิดฝายชั่วทำจิตให้เป็นสมาธิได้เปรียบเหมือนนช่าง